ถวายความเคารพอย่างสูงสุดกับพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์งก็มีหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคเขียนเป็นต้นเนะาะนั้นกราบขอโอกาสจากครูบาอาจารย์พระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินทร์แล้วก็ขอโอกาสจากเพื่อนสาธมิกก็เจริญพรแม่ชีนะแล้วก็พวกเราอุบาสกอุบปสิกา ก็ฟังทมกันเอามือลงตามสบายเนาะพวกเราฟังฟังทมกันก็เล่าสู่กันฟ <DVD> ังเล่าสู่กันฟังไปประเทศอินเดียกลับมาก็เห็น ศรัทธาของผู้คนที่มีในาศาสนาพุทธ อ, อืมก็ต้องเรียกว่าหนานแน่นมากๆหนานแน่นมากๆในพุทธกยาพื้นที่ประมาณสักไม่แน่ใจอาจจะประมาณสักร้อยไร่อะไรอย่างงี้เนาะต้องเรียกว่าอืแน่นเหมือนลงหนังทั้งวัน ตั้งแต่เช้าตีห้านะจดสามทุ่มนั่นแล้วก็หลายชาติหลายภาษาเนาะต่างคนก็ต่างก็เรียกว่ามีวิธีการปฏิบัติกันในรูปแบบต่างๆอย่างนี้ปฏิบัติกันโอ้ต้องเรียกว่าไม่มีหยุดนะฮะหมายถึงว่าคนนี้เข้าคนนั้นออกหมุนเวียนกันทั้งมันนะฮะตรงนี้ก็ นั่นนั่นคือสิ่งที่พุทธเจ้าได้มอบเอาไว้ให้เนาะก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาได้เหมือนกับว่าผ่านการปฏิบัติแล้วพวกเขามีความทุกข์น้อยลงจริงๆเนาะตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดศรัทธาบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปไม่ใช่คนที่นั่นไม่ใช่คนอินเดียเพราะเนื่องจากว่าประเทศอินเดียเนี่ยก็เรียกว่ามีการจัดอันดับเนาะร้อยบุคคลที่ มีก็เรียกว่ามีความสําคัญของประเทศอินเดียเนี่ยพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลที่หนึ่งที่เป็นความสําคัญของประเทศอินเดียเนื่องจากว่าเขาอาจจะนับจํานวนเนาะเป็นจํานวนนับหรือก็อาจจะมีวิธีการในทางเขาเรียกว่าในทางโลกโลกคนที่เป็นบุคคลอันดับหนึ่งที่สําคัญที่สุดของประเทศอินเดียเนี่ยเขาให้เป็นมหาบีระ เปล่านะที่เป็นศาสดาของศาสนาเชนพระก็อบอกบอกว่าศาสนาเชนเนี่ยเกิดขึ้นมาในยุคเดียวกับพุทธเจ้านี่แหละอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็ไม่เคยหายไปจากประเทศอินเดียเลยสอ0 0ั 2, กว่าปีจนถึงวันนี้แต่ปรากฏว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเขาถูกจัดไว้เป็นอันดับที่สองเนื่งองจากว่าจริงอยู่นะแม็กว่าตอนที่พุทธเจ้าอยู่เนี่ยอาจจะเฟื่องฟูกับศาสนาเชนแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยปรากฏว่า หายไปหายไปจากประวัติศาสตร์นะของของประเทศอินเดียแล้วก็แม้ว่าจะมีการเ็าเรียกว่าลือค้นทางโบราณคดีแล้วก็นะวันนี้เนี่ยก็มีการปื้นปูกลับขึ้นมาเนี่ยคนอินเดียก็นับถือศาสนาพุทธอยู่ประมาณสัก 5% เท่านั้นเองไม่มากนะนั่นนั้นคือตรงเนี้ยนกะ็เป็นสิ่งที่ เขาก็จัดอันดับพุทธเจ้าไว้เป็นอันดับสองแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูเราไปดูกันห <c oughs> มายถึงว่ามันก็มีความแตกต่างเนอะระหว่างาศาสนาเชนกับาศาสนาพุทธตรงที่ว่ า, าศาสนาเชนเนี่ยลักษณะลักษณะของเออเขาเรียกว่ า, าศาสนาวัตถุ นะที่เป็นอาคารสถานที่ของเขาเนี่ยจะค่ยๆเป็นสันเจ้า<ม>แล้วเราก็สังเกตเห็นก็ ค, คือคนก็เข้าไปสักเดียวหนึ่งเข้าไปจุดทูปกราบไหว้แล้วก็เดินออกมาอานี้น<ม>ก็ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่ถ้าหาว่ามองศาสนาพุทธเนี่ยปรากฏว่าอย่างที่บอกว่าพุทธคยาเนาะพื้นที่พุทธคยาคนเข้าไปปฏิบัติกัน<ม><ม>คนเข้าไปปฏิบัติกันเยอะแยะไปหมด แล้วก็ทุกคนก็โอ้โหปฏิบัติกันนะปฏิบัติกันแบบว่าเรียกว่ามีคนปฏิบัติผ่านการสวดมนต์เนาะก็ <_ S 1> สวดมนต์กันไปสองสามชั่วโมงนะ <_ S 1> อย่างนั้นคนที่ปฏิบัติในรูปแบบที่ใช้ร่างกายปฏิบัติอย่างอธิเช่นพวกลามะเนาะพวกลามะในนิกายวัชรยานเนี่ยกราบกราบเขาเรียกว่าอัสดงังก็ประดิษฐ์เนาะแปดท่าที่เอา ตั้งแต่หน้าผากตั้งแต่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้จดพื้นพวกเราคงเคยเห็นนะเคยเห็นจากทีวีอย่างเงี้ยบางคนกราบไม่หยุดเลยนะสองชั่วโมงอูก็ตรงนี้ก็เราก็จะเห็นเขาเรียกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของการปฏิบัติเนาะแต่ส่วนศาสนาอื่นจะเป็นศาสนาของการปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่าเท่าที่เห็นก็ดูเหมือนกับว่า ไม่ใช่เนาะอย่างนั้นอย่างศาสนาเชนที่ที่บอกเนี่ยก็เป็นศาสนาของการอาจจะเข้าไปขอพร อ, อ า, าจจะเข้าไปกราบบ้า้บูชาแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เ็าเรียกว่าหลวงพ่อคำเขียนเนาะหลวงพ่อเทียนที่เป็นที่เป็นครูบาอาจารย์กับพวกเราก็บอกเอาไว้อย่าอย่าศรัทธาตัวบุคคลให้ศรัทธาการปฏิบัติ ตรงเนี้ยเราก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าตัวบุคคลอาจจะมีรูปลักษณ์ที่ต่างๆกันเนาะ mm. บางคนเห็นปุ๊บก็มไม่ถูกชะตาแ ล, ะละ้วล่ะใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยเนาะไม่ศรัทธาแต่ว่าสิ่งที่น่าจะศรัทธากันจริงๆก็คือการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า ศาสนาพุทธนี่เน้นมากๆนะฮะเน้นมากๆเน้นเรื่องการปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่เราจะสัมผัสกันก็คือสัมผัสผลของการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยเราก็เหมือนกับการสร้างเหตุเนาะสร้างเหตุสร้างเหตุขึ้นมาก็ต้องมีผลผลลัพ์ตอบแทนแน่นอนหลวงพ่อเทียนจะย้ำเอาไว้เนาะบอกว่าทำดีนะดีแล้วนะ ไม่ต้องรอทำไม่ดีก็ไม่ดีแ ล, ะละ้วล่ะผลมันก็ออกมาเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในทางพวกเราที่เคยเรียนหนังสือกันอยู่แล้วก็อาจจะทำดีได้ผลดีทำชั่วได้ชั่วอะไราตานานาเหล่านี้คือการทำกับการได้เนี่ยมันรอกันยิ่งพวกเราเคยผ่านกันเป็นนักเรียนมาเนาะแบบว่าใใคล้ายว่านักเรียนก็จะมีรางวัลต่างๆเป็นเครื่องเนาะ <c oughs> เป็นเครื่องคล้ายๆว่าเป็นเครื่องล่อเป็นเครื่องใน้นตาน า, นาเราก็จะติดอย่างนั้นเนาะทำดีก็ได้รางวัลนักเรียนดีเด่นอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ใช่ไหมอย่างเนี้ยก็ถ้าเกิดว่าทำดีแล้วคนไม่สรรเสริญทำดีแล้วก็เรียกว่าคนมองไม่เห็นก็ไม่อยากทำละ <c oughs> เป็นอย่างนั้นกันนะอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ในทางการปฏิบัติแล้วเนี่ย เราถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราไปรอผลลัพธ์เนาะตรงนั้นะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเรากำลังหวังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์หรือเปล่าตรงเนี้ยเนะาะพระเจ้าเนี่ยช่วยขโมดให้เรานะว่าทุกเนาะที่เรามีกันอย่างเนี้ยเนาะทุกทางกายก็เป็นเรื่องแยกเอาไว้เรื่องหนึ่ง อย่าเอามาปนกับทุกข์ทางใจเพราะว่าทุกข์ทางกายเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเราชัดเจนกันใช่จะเป็นการเกิดก็ดีจะเป็นการเจ็บป่วยก็ดีจะเป็นการตายก็ดีจะเป็นความแก่ที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่เราเรียกว่าทนไม่ค่อยได้นั่งอยู่นานทนไม่ได้ก็ต้องยืนยืนอยู่นานทนไม่ได้ก็ต้องนั่ง ไม่ได้กินข้าวนานๆท น, น, นไม่ได้ก็หิวอะไรต่างๆนา น, นานแหละนี้หิวเพอกินมากๆเข้าทนไม่ได้ก็ต้องล้วงคอให้อาเจียนกันอะไรทำนอง น, นั้นอันก็เป็นเรื่องของกายแต่เรื่องของใจเนี่ยบางทีมันมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเงี้ยเนาะหนักหนาสาหัส ต, ตรงเนี้ยหนักหนาสาหัสจากอะไร พุทเจ้าก็บอกอาไว้ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นะอันนี้ไม่ได้เจอของรักก็เป็นทุกขนะ์เนาะพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจเนาะได้มาแล้วพลัดพรากกันเอา้าก็ทุกข์อีกใช่ไหมยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอืมปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อยากได้ใช่ไหมยอย่างเนี้ยใช่ไมไม่ได้มาก็ทุกข์อีกอย่างเนี้ยเนาะอย่างนั้ น, ะ น, นตรงเนี้ย พวกเราลองดูนะว่าความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองเอาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้เนี่ยวัตถในใจเนี่ยมันมีอยู่3ามสี่อย่างแบบเนี้ยนะอย่างนั้นแล้วเราลองเอาก็เรียกว่าประสบการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นที่ผ่านมาก็ดีหรือที่กาลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าของเราก็ดีเนี่ยเติมลงไปเนาะลองเติมลงไปในช่องว่างตรงเนี้ยเราะพบว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกให้เนี่ย มันหมดจดมากๆไม่มีอะไรที่แตกแถวออกไปจากนี้อีกนั่นนักนคือตรงเนี้ยนะว่าเวลาที่พวกเราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเขาเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพอเราปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้ายืนยันนะว่าปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการแต่สิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยมีเรื่องเดียวนะอย่างนั้นก็คือเรื่องที่ว่า ทำยังไงเนาะก็เรียกว่าทำยังไงถึงจะทําให้เราเนี่ยไม่ทุกอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะเราก็ไม่ต้องไปหาข้อพิสูจน์อะไรอย่างอื่นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างเนี้ยอย่างนั้นนั<ม>่นนั่นคืออย่างที่เช่นศีลเนาะทางเขาเรียกว่าทางมหายานเนาะทางมหายานก็มีเรื่องเล่า มีเรื่องเล่าทางมหายานก็มีการขยายความเรื่องศีลเนี่ยบอกว่าในยุคพุทธกาลเนี่ยก็มีลูกศิษย์ศาสดาอื่นๆอาจจะเป็นศาสดาหมหาวีระหรือเปล่านี้เราไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าชมพูทวีปเนี่ยมีศาสดาเยอะแยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนั่นคือลูกศิษย์ศาสดาอื่นๆก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาหาพระพุทธเจ้าจะเข้าเฝ้าหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าใจก็จะศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือเปล่านี้ไม่แน่ ก็มาถึงพุทธเจ้าก็มาถามพุทธเจ้าบอกว่าท่านอ่ะสอนว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยจะเป็นบาปและตกนรกหรือเปล่าเนาะมาถามอย่างนี้ละใช่หฮะก็เหมือนกับศินข้อที่หนึ่งนะใช่ไหมฮะเจตนาเนาะเป็นเครื่องเบนจากการฆ่าใช่ไหมอย่างนี้ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ คำถามก็ถามว่าท่านสอนอย่างนี้ไหมว่าถ้าฆ่าสัตว์เนี่ยจะเป็นบาปแล้วตกนรกใช่ไหมฮะอย่างนั้นวันนั้นนั่นคือตรงเนี้ยพระเจ้าก็ตอบนะบอกว่าเราไม่ได้สอนอย่างนั้นนะเจตนาเป็นเครื่องเบ้นจากการฆ่าเนาะใช่ไหมยอย่างเนี้ยถ้าไม่ฆ่าสัตว์เสียได้เนี่ยก็จะไม่ทุกพระเจ้าบอกสอนอย่างนี้นี่คือถ้าเราตั้งใจใช่ไหม ตั้งใจที่จะไม่ฆ่าเนี่ยใช่ไหมฮะพอเราตั้งใจที่จะไม่ฆ่าเนี่ยตรวจวัดความทุกข์ที่ไหนก็ตรวจวัดความทุกข์ที่ใจเราอย่างเนี้อย่างนั้นเราลองเนาะวันหนึ่งถ้าเกิดยุงมาตอมเนี่ยเราไม่ตบเขาอย่างสะใจเนยเาะอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่การตบนี่จะตบอย่างสะใจเนาะ <c oughs> ใช่ไหมไอ้ความ มือที่สัมผัสผิวเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะว่ามันโอ้ยหนักหนากว่ายุงที่กัดตากเล็กๆเนี่ยเยอะแยะหนักหนาเนี่ยเราก็ไม่ทันได้สังเกตตองนั้นเพราะมันสะใจดีตายไปไอ้คนที่มาทําให้เราวุ่นวายคนที่ทําให้เราแบบว่าอึดอัดขัดเคืองเนี่ยนะฮะอย่างนั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเราลองเนาะเราลอ ง, ลอ ง, ลอ ง, ลองตรวจสอบดูถ้าวันไหนนะเราเกิดนึกขึ้นได้นะลองปัดปั ด, ปดยุงให้เข้าไปเนี่ย ถ้าเราลองสำรวจที่ใจเ ร, เราว่าใจเราจะเหมือนเดิมไหม อ, ไอย่างเงี้ยเนาะก็มั่นใจนะมาจิตใจเราก็คงรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการนะเราทำตามพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ทุกข์วันนั้นก็คือตรงเนี้ยนะ่า คำสอนของพระ เ, เจ้าก็ยืนยันนะยืนยันแบบนี้นั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าการปฏิบัติธรรมของพวกเราเนี่ยจะเป็นหุวงพ่ะเทียนก็ดีจะเป็นหุวงพระคำเขียนก็ดีก็ได้เหมือนกับว่าก็ได้มีทุกข์กันเนาะเหมือนกับพวกเราทุกคนนี่แหละยิ่งวัยของพวกเราเนาะวัยยี่สิบกว่าสามสบเนาะจะเป็นวัยที่ยังน้อยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมากันพอสมควรเนาะอย่างนั้นะ กับมะร้อนกับมะหนาวเนี่ยหมายถึงมะ <c oughs> ก็เป็นทุกข์เป็นสุขนะอย่างเนี้ย <c oughs> ผ่านทุกข์ผ่านสุขกันมาพอสมควรแต่ถ้าเกิดมาเราลองนึกย้อนไปเนาะสุขที่สุดเนะ <c oughs> ของชีวิตเราเนี่ย <c oughs> จะเป็นสุขนะจากการที่เรากำลังหาปลนเปลือร่างกายหรือเปล่าเนาะ เราอาจจะมีความสุขจากการกินก๋วยเตี๋ยวมีความสุขจากแรงตานะนาเหล่านั้นเนอะอาจจะมีความสุขจากการไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสุขที่เกิดจากความสุขทางกายไม่ใช่มันจะเป็นความสุขที่ในใจที่เราประทับเอาไว้หรือความทุกข์ก็ตามเนาะทุกข์ที่สุดเนี่ยที่เรามีอยู่เนาะจริงๆแล้วคำว่าทุกข์ที่สุดเนี่ยพอเรา ลือล้อๆคน้คนๆไปไอ้ที่เคยว่าทุกข์ที่สุดตอนนั้นมันก็อาจจะเหมือนกับเรื่องที่ไม่ค่อยกล้าบอกใครมันดูน่าขำนะ <c oughs> ก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราลองเราลองสำรวจ ด, ดูปรากฏว่ามีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเนาะก็วัยเดียวกับพวกเรานี่ล่ละ <c oughs> คำว่าใบเดียวกับพวกเราหมายถึงว่าตอนนี้ต้องขอขโมดเอาไว้ว่าเป็นพวกผู้ปฏิบัติที่มากั บ, ก, บกลุ่มนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่เพียน <c oughs> ไม่เพียนก็จะเป็นก็เรียกว่าญาติธรรมเาเป็นญาติธรรมของมัดเราอายุแปดสิบกว่าละอย่างนั้น <c oughs> ผู้หญิงคนที่บ้านเนี่ยก็มามาหาหลวงพ่อเนาะก็ คลาบน้ําตาก็นองหน้าเนาะถึงแม้ว่าตอนนั้นมาเนี่ยน้ําตามันไม่มีละแต่ว่าไอ้ความหม่นมองที่ออกมาจากร่างกายที่เห็น<ม>จะเป็นร่างกายก็ดีจะเป็นใบหน้าก็ดีจะเป็นดวงตาก็ดีเนี่ยก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นบอกบอกว่าเนี่ยในเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยทุกที่สุดในชีวิต <c oughs> ทุกเพราะว่าเนื่องจากว่าในเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งทราบว่าสามีที่อยู่ได้กันมา20ปีเนี่ยลูกก็กำลังจะสอบเข้าเขาเรียกว่าจะสอบเข้ามาหาลัยอย่างเงี้ยเนาะแอบไปมีภรรยาใหม่จะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะั้นะ้าจำไม่ได้อะ่ะแต่ว่าหมายถึงว่ามีผู้หญิงใหม่อย่างเงี้ยอย่างนั้นพอคนว่าพอเขารู้เนี่ย ในเจวันเขาเพิ่งรู้ในเจ็ดวันนี้เองนะเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นโนะทรศัพท์มาหาเขาอย่างนี้อย่างนั้นปรากฏว่าเขาเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่ได้เนาะอย่แล้วก็แบบว่าเรียกว่าเศร้าหมาองตลอดมาในเจดวันก็ถามกันเนาะบอกว่าเออเวลาที่ เราเจ็ดวันต่อมาเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเศร้าตลอดทุกวันเลยหรออะไรเงี้ยนะก็บอกทุกวันเลยละอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยถามก็ใบบอกว่าเอ้แล้วมันมีเวลาไหนไหมที่ไม่เศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกอก็มีเหมือนกันนะเวลาทํางานก็ถามว่าเวลาทํางานแล้วไม่ไม่เศร้าเหรอก็งานมันยุ่งๆนะก็ไม่ทันเศร้าก็ถามก็บอกว่าเอ้แล้วเวลาไหนอ่ะ ที่เศร้าที่สุดเลยเ็าบอกว่าเวลาที่หลังจากทำงานแล้วกลับไปบ้านแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็แบบคิดก็เริ่มคิดนะก็เริ่มคิดถึงสามีว่าเวลานี้สามีที่เราไม่เห็นอยู่เฉพาะหน้าตอนนี้เข้าไปไหนอะไรยังไงอะไรต่างๆนาน า, น า, นานเหล่านี้ก็จินตนาการไปสารษัพสารเพห อยากทราบไหมว่าตอนที่เขามาคุยด้วยเนี่ยสามีก็อยู่ที่ไหนไม่ต้องเดากำลังบวชอยู่ฮะบวชอยู่ที่บัดนี่แหละเราดูนะความคิดของเรานะสามีมาบวชเป็นพระอยู่เนี่ยในเจ็ดวันเนี่ยสามีก็อยู่มาตั้งเป็นเดือนแล้วอะ่ะแล้วก็ตัวเองก็คิดขึ้นมาแล้วก็เศร้าที่สุดนะ่ะความเป็นจริงเนี่ยสามีเป็นพระอยู่เนาะใช่ไหม ไม่น่าจะเศร้าน่าจะยินดีมากๆนะแต่ความคิดทําอะไรเราเราดูความคิดทําอะไรเราแล้วก็คิดเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเขาคงจะนั่นเขาคงจะนี่อะไรต่างๆนนเหล่านี้เลยเยอะแย ะ, ย ะ, ยะไปหมดนะอย่างนั้นก็แล้วพอคิดเขาก็เศร้าหมองที่สุดนะเราก็เห็นภาพนะว่าโอ้โหจมกองทุกอยู่เจ็ดวันแล้วอยเนี้ยไอ้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลองอย่างนี้เดี๋ยวลองอย่างนี้ ลงยกมือตามหลวงพ่อนะถ้าหลวงพ่อยกมือซ้ายพลิกมืออะไรไงทําทตามหลวงพ่อทุกอย่างเลยนะอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจนะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ก, ก็สอนที่จะสร้างจาาังหวะ14จังมวะอย่างพวกเรานี่แหละใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยพลิกมือขวาตะแคงขึ้นยกขึ้นแลเอามาไม้ตีท้องพลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นยกขึ้นเอามาไม้ที่ท้องเขาพูดกันไปได้ถึงท่าที่6เนี่ย อาก็บอกว่าเอาเอาตั้งใจตั้งใจใหม่ตั้งใจดีๆดูหลวงพ่อด้วยอย่าคิดอย่างเดียวเนะอย่างเงี้ยเพราะว่านั่นคือแค่พลิกมือขึ้นตะแคงขึ้นเนี่ยแค่นี้เทียมนั่นนั้นคือตรงเนี้ยก็แบบเอาตั้งใจดีๆมีสมาธินิดนึงอะไรเงี้ยนะทําตามหลวงพ่อนะอะไรเงี้ยฉันไหมครัก็ทํากันทํากันปรากฏว่า พอทําไปสักประมาณสักน่าจะสักองสามนาทีไม่ถึงห้านาทีหรอกเราก็เห็นความทุกข์ที่มันอยู่ในใบหน้าในดวงตาเนี่ยมันก็มันเหมือนกับมันก็เหมือนกับเมฆที่ผ่านพ้นไปเนาะอย่างเนี้ยก็เลยถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าดีค่ะ ก็ก็เลยถามว่าดีนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอืมไม่คิดแล้วนะก็จริงๆแล้วก็คือก็ถามย้ำเพื่อให้เขาได้เหมือนกับได้ทบทวนตัวเองนะว่าไอ้ทุกข์ที่เจ็ดวันเนี่ยที่ความคิดมันตามหลอกตามหลอนมาเนี่ยมันนาทีนั้นเนี่ยมันหายไปแล้ว ใช่ไหมฮ่เนี่นะก็ปรากฏว่าจากวันนั้นเป็นต้นมาถึงวันนี้ก็หลายปีเนาะก็ยังเข้าวัดอยู่สม่วังเสมอแล้วก็จะชวนสามีเข้ามาด้วยแล้วก็มาที่ไรก็หน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งหน้าทั้งตานะยิ้มแย้มแจ่มใสตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่เหมือนกับว่าพอเวลาที่ เราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยพอเราสามารถที่จะแยกแยกแยะออกเนาะทุกขอันไหนที่มันเกิดมาจากกายทุกอันไหนที่เกิดมาจากใจเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้แยกได้ถูกทุกที่เกิดจากกายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ <c oughs> มีจริงๆหนาวก็หนาวจริงๆเนาะเอาไม่เอาเสื้อมาใส่ไม่หาผ้ามาห่มก็ไม่หายหนาวอย่างเงี้ย ร้อนก็ถ้าเกิดไม่พัดลมไม่แอร์ไม่อาบน้ำอะไรก็ไม่หายแต่พันทุกข์ทางใจเนี่ยใช่ไหมอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันติดยึดอยู่กับใจเราอย่างนี้จะหายไป <c oughs> ก็ต้องด้วย <c oughs> เราทำงานกับใจนี่แหละอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำงานกับใจเนี่ยทุกข์มันก็ไม่หายนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะมา วิธีการทำงานกับใจเนี่ยก็คือวิธีการที่เรากำลังกำลังทำกันอยู่พวกเราทำงานกันอยู่เราก็เรียนหนังสือมากันเนาะอย่างเงี้ยการเรียนหนังสือมาก็เรียนตัวหนังสือกันมาวิธีการเรียนหนังสือเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ต่างจากวิธีการปฏิบัติเนาะเพราะว่าแม้พวกเราจะสอบเข้าสาธารณสุขกันเนี่ยเราก็ต้องจำกัน แต่การปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องจำลงมือทำนะอย่างเนี้ยลงมือทำกันเนียจักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามสติกำลังพวกเราสวดกันเนาะสวดกันมาสองสาวันคำเนี้ยเนาะมันมีความหมายอันหนึ่งก็คือมันเหมือนกับว่าถ้าเราเนี้ยได้ทำอยู่ในใจด้วยเนี่ย ตรงนี้มันมีความหมายมากๆเราทํางานมาเนาะเราก็อาจจะรู้ด้วยว่าบางทีเราก็ไม่ได้ทํำด้วยใจเราทําตามความชํานาญของกายอย่างเดียวใช่ไหมฮะอย่างนั้นในขณะที่เราทําไปใจก็คิดไอน้นู่นนี่เยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทําด้วยทําด้วยใจเนาะทำด้วยใจจากทําในใจอยู่อย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าผลเนี่ยมันจะเกิด ผลที่ดีมากกว่ากันเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่บอกว่าจักทําในใจอยู่เนี่ยมันอยู่ในใจเราแล้วอะใช่ไหมถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจนกระทั่งมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในใจเราตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันจะไม่มีการลืมการปฏิบัติมันก็จะกลายเป็นชีวิตของเราวันนี้เรามากัน3ามสี่ห้าวัน มันก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งเนาะที่เป็นกิจกรรมของการผู้บรรจุใหม่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยพวกเราก็มาทำกันทั้งวันทั้งวันเช้าจุดเย็นเช้าจุดเย็นเนาะตรงเนี้ยนั่นคือสิ่งที่เหมือนกับว่าลองเนาะลองจาลองให้กิจกรรมนี้เนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของเราในสองสมวันนี้อะรเนี้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า บางทีการที่เราทำมากมากเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าประทับอยู่ในใจเราตรงนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยเคยไหมเนาะเขาเรียกว่าเคยไหมที่จะแบบว่าฝึกกายของเราฝึกใจของเราเต็มที่กันทั้งวันทั้งวันอย่างนี้บางทีเนาะพวกเราอาจจะย้อนย้อนกลับไปชีวิตของเราเนี่ยกายมันอาจจะ แล่นไปตามความอยากเนาะเดี๋ยวอยากไปหาเพื่อนเดี๋ยวอยากดูหนัง mm hmm. เดี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวอยากกินข้วาวผัดอะไรเ mm hmm. ยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยเนาะอยนั้น <c oughs> ตรงเนี้ยพอกายมันเนี่ยวิ่งไปตามความอยากเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็จะเกิดความไม่เป็นระเบียบเนาะเกิดความไม่เป็นระเบียบขึ้นแต่ว่าที่เราที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีท่านั่งเนาะที่เราก็จะแนะนํากันว่าก็นั่งกันเนาะให้เป็นระยะหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็ดีชั่วโมงก็ดี อะไรอย่างเงี้ยนะเดินกันก็เหมือนกันนะก็เดินกันครึ่งชั่วโมงก็ดีชั่วโมงก็ดีแล้วก็ท่าทางที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นท่าทางที่ไม่มากเนะนาะนั่งซังจังหวะ14จังหวะเดินจงกลมกันเอามือไพร่หลังบ้างจับมือกันไว้ข้างหน้าบ้างอนะไรเงี้ยท่าของกายเนี่ยที่เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้ทั้งมันทั้งวันเนี่ยเนาะวันสองวันผ่านไปเนี่ยเราจะพบว่า ตรงนี้มีผลกระจายเราเหมือนกันเนาะบางทีไอ้การที่เราทําตามใจอยากนะลุกไปนั่นลุกมานี่เนอะเคยไหมที่มีแบบว่าอยู่ไม่เป็นสุขเข้าบ้านปุ๊บก็ต้องเปิดประตูบ้านออกไปใหม่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยคําไม่อยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยใจมันไม่เป็นสุขใจมันอยู่ไม่ได้ใจมันทนไม่ได้ก็ต้องไปนู่นมานี่หาเรื่องไปนูน่นมหาเรื่องมานี่ แต่ถ้าเกิดบางพวกเราเนี่ยใช้เวลากับการปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่เราฝึกกายมันก็จะเป็นการที่ฝึกใจไปด้วยเนาะใจเราก็จะเหมือนกับค่อยๆเข้าที่เข้าทางกายมันไม่ปลูดปลาเรียบร้อยเนาะใจมันก็สงบตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าปรากฏขึ้นกับพวกเราเนาะเราอาจพวกเราอาจจะไม่เคยจัดการให้กับชีวิตเป็นแบบนี้ แต่นี่คือเขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานเนาะเป็นกรรมฐานเป็นฐานอันหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้เรียนรู้จิตใจของเราพวกเราผ่านกันมาเนาะ <c oughs> ผ่านการปฏิบัติมาเมื่อวานนี้ <c oughs> สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้เกิดขึ้นกันชีวิตเราแล้วนะอย่างนี้หลายๆอย่างนะอาจจะเป็นสิ่งที่บอกว่าง่วงที่สุด ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเคยง่วงขนาดนี้เพราะว่านั่นคือเราไม่เคยเขาเรียกว่าเรามีตัวช่วยตลอดเวลาง่วงนิดนึงเนาะก็อาจจะหากาแฟแต่ก็ลืมสเกตไปเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะชงกาแฟด้วยน้าร้อนกว่าจะได้กินเนี่ยหายง่วงไปนานแล้วละ่ะแต่เราก็ยังอุตส่าห์พึ่งเขาเนาะงงทุกครั้งก็พึ่งเขาทุกครั้ง แต่จริงๆมันหายวงเปนานนั้นแ ล, ละกว่าจะกาแฟจะถึงปากเนี่ยยงกัดเนาะหยิบยาหม่องมาทายาหม่องก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งมันหายคันเพราะยาหม่องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะแต่เราก็ติดติดเขาแบบนี้นะอย่างเนี้ยที่นี่เนะเราก็เหมือนกับว่าให้เราค่อยๆนะค่อยๆนะเหมือนกับสมมติหากว่า จะแม้คำแนะนำครูบาอาจารย์คงจะมอะีอย่างที่บอกบอกว่าถ้าเวลาเรานั่งสร้างจังหวะอย่างเงี้ยให้ทนอีกนิดหนึ่งอย่าเพิ่งรีบยืนอย่าเพิ่งรีบลุกขึ้นไปเดินจงกรมเนะเหมือนกับว่าลองต่อลองดูสักนิดหนึ่งเราต่อลองนิดอีกนิดหนึ่งได้ไหมอีกนิดหนึ่งได้ไหมในอ่างตานานาเหล่านี้เนาะอย่างเงี้ยบางทีที่เราประวิงเวลาสักนิดหนึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่านี่เราจะได้เห็นสิ่งที่ไม่ได้เห็น อย่างนั้นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอย่างบางทีเราลุกเาตามความอยากลุกเรานั่งตามความอยากนั่งเนี่ยบางทีมันสมควรจะลุกหรื อ, อยังมันเป็นเรื่องของกายที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถให้เขาเพราะว่านั่นคือร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในท่านั้นนานเกินไปนั่งนานๆเนาะเส้นลกเส้นเลือดเดินไม่สะดวกก็จะเป็นความชาเนาะ เกิดขึ้นอะไรเงี้ยขยับนิดนึงให้เลือดเดินสะดวกเนี่ยความชาก็หายไปพอเราได้สังเกตกันหรือเปว่าก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เรานั่งนานๆเนี่ยทุกใจมากเลยนะอู้จะเป็นอะไรไหมเป็นอมัมพก์อัมาพาตเยอะๆไปหมดในหัวเนี่ยแต่พอเวลาเราขยับยืนเนี่ยไม่ทันถึงนาทีนะความปวดความเมื่อยหายหมดแล้วเนี่ยเมื่อเราเคยสังเกตกันหรือเปล่า <c oughs> ความปวดความเมื่อยเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆนะฮะอย่างนั้นแต่พอเวลาเอาเข้าจริงๆเนี่ยเนาะเรามาดูกันจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าหลายๆอย่างเนาะที่เราได้พบโอ้ยไม่เคยเห็นเลยนะว่าจะคิดมาคิดใหม่อะไรอย่างนี้เนาะอย่างนั้นตรงเนี้ยสำคัญเนาะสำคัญ <c oughs> ที่นี่เนาะสอนสอนกัน ยิ่งหลวงพ่อกำเขียนนะบอกว่าสอนให้เป็นผู้ดูนะอย่าเข้าไปเป็นผู้เป็นการที่เราใช้สติเนาะดูความเป็นไปในกายเราดูความเป็นไปในใจเราเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งนี้เราได้พบได้เห็นเนี่ยต่างจากทั้งหมดที่ชีวิตเราเคยมีตรงเนี้ยเนาะเราเริ่มต้นจากการดูเราก็จะเห็นอย่างเนี้ย ถ้ไม่ดูก็ไม่เห็นหลับตาก็ใช่ไหมฮะก็เรียกไม่ดูก็ไม่เห็นนะแต่พอเราลืมตาดูเราจะเห็นทำนองเดียวกันตานี้ก็เหมือนกันเนาะสติก็เหมือนกันสติจะทําหน้าที่ดูนะทำหน้าที่ดูอย่างเดียวนี่แหละแต่ว่าดูอะไรดูกลับเข้ามาในกายเราในใจเราพอสติเนาะก็เรียกว่าใช้งานนะเราก็จะเห็นสิ่งที่เป็นไปในกายเราสิ่งที่เป็นไปในใจเราตรงเนี้ย เราหัดตรงเนี้ยเนาะเราจะจักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่เราทํางานเนาะเราทำงานด้วยกายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคุ้นเคยที่จะเอาสติดูกลับเข้ามาในกายเราในใจเราตรงเนี้ยการทํางานก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยเนาะเมื่อดูก็จะเห็นเมื่อเห็นก็จะเข้าใจ ไม่เห็นที่จะไม่เข้าใจนะเราเรียนหนังสือมาใช่ไหมอย่างเนี้ยต้องมาฝึกงานนะเพราะว่าเรียนหนังสือไม่เห็นจริงใช่ไหมฮะอย่างเง้ยพอเห็นจริงโอเข้าใจเข้าใจนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะมาเราเนี้ยเขาเรียกว่าได้เปิดประตูเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมผ่านการที่เราเจริญสติกันเพียงแค่มันแรกเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าสติ ถ้าเกิดว่าเรา ท, ทําทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนาะเราจะใช้คล่องแคล่วขึ้นคล่องแคล่วขึ้นสิ่งที่เราเห็นเนาะจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นจริงเมกกื่อก่อนเราจะคิดคิดเอาคิดคิดเอาว่าเป็นอย่างนั้นคิดคิดเอาว่าเป็นอย่างนี้ทําไม่ได้เด็ดขาดไม่มีทาง <laughs> เวลาลงมือทําอุ้ยง่าย <laughs> ความคิดเกิดการกระทําจะเป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ย ก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ยืนยันเนาะว่าการปฏิบัติต ร, ตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีศรัทธาการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พระเจ้ายืนยันถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำของพทธเจ้าหรือเราเรียกว่าพระธรรมเนี่ยเนะยาะงนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่เราได้รับกันก็จะคือสิ่งที่เรียกว่าไม่ถูกถ้าเราสร้างเหตุที่ดีเราจะได้ผลที่ดีเราปฏิบัติเนาะ ตามแนวทางของพระเจ้าผลก็คือความไม่ทุกข์เราก็มีอยู่ณนะตรงนั้นความรู้สึกตัวทุกครั้งทุกครั้งที่เรามีเนี่ยเราลองสังเกตดูณตรงนั้นความคิดทําอะไรไม่ได้เลยไม่ต้องรอนะรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยใจเราไม่ทุกข์แน่นอนดังนั้นคือตรงเนี้ก็อยากให้พวกเราได้อาศัยเวลาทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เนาะลองทดลองปฏิบัติตามอย่าเพิ่งเชื่อ ตลวงพัอเขบเขียนก็บอกนะอย่าเพิ่งเชื่อลองปฏิบัติดูก่อนนี่นั่นนั่นคือตรงนี้นะมาพวกเราก็เหมือนกับไลบังคับเนาะไม่มีทางเลือกทางอื่นเขาส่งมาแล้วเนี่ยเราลองทำให้เต็มที่นะอย่างนั้นแล้วก็วังเมาพวกเราเนี่ยก็จะได้พบกับเรียกว่าความไม่ทุกได้กันทุกคนเราพวกเรากลาบพระพร้อมกัน